เทศอ <S <S บรมคณะอนกศึกษาแพทย์แห่งสิริราชพยาบาลประมาณ40สคนนำโดยท่านศาสตราจารย์หมออุดมโปรสะกฤษณะและอาจารย์หมอโรดสุวรรณสิทธิเมื่อคืนวันที่เจมีนาคมพศส5 1 4นณวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีโดยพระอาจารย์มหาบัวยานสัมปันโน มีความดีใจเป็นพิเศษที่เห็นท่านนักศึกษาเนี่ยท่านหัวหน้า่ิลาอิสามาจากกรุงเทพเข้ามาสู่แดงแห่งป่า่งเป็นสถานที่รู้สึกจะได้ความหมายในความรู้สึกตัวทั่วไปเพื่อการอบรมธรรมะทางด้านจิตใจ การแสดงธรรมะการุณาท่านผู้ฟังนั่งอย่างสบายคือไม่ต้องปนมมือก็ได้นั่งในท่า ส, สงบธรรมดามือวางลงไว้อย่างธรรมดาแล้วพยายามระวังความรู้สึกของตนในขณะที่ฟังไม่ให้ส่งออก ไปภายนอกให้มีความรู้สึกอยู่กับตัวในขณะที่ฟังการตั้งใจคือความรู้สึกไว้กับตัวนั้นเป็นการพร้อมแล้วที่จะรับเสียงต่างๆขณะนี้เราต้องการรับเสียงแห่งธรรมฉะนั้นกระแสเสียงที่การแสดงไปมากน้อยจะต้องเข้าไปสัมผัส ความรู้สึกของเราที่ตั้งไว้แล้วด้วยดีโดยไม่ต้องคิดออกมาแม้ที่สุดสู่ท่านผู้เทศเพียงทําความรู้สึกไว้เท่านั้นความรู้กับทำรรคือกระแสะเสียงที่มีเนื้อทำไปด้วยในขณะเดียวกันนั้นเข้าไปสัมผัสใจใจที่รับความสัมผัสจากทำอยู่โดยสม่ําเสมอ มีความรู้สึกคือรับรู้กันอยู่จะรู้สึกว่าใจมีความสบายและเบากายเบาใจอารมณ์ทิคิตเกี่ยวกับการสถานที่เวลร่ำเวลาอะไรเหล่านี้จะไม่ค่อยมารบกวนจิตใจมีแต่ความรู้กับธรรมที่สัมผัสกันอยู่ทำงานผลจากการฟังด้วยความ หรือด้วยวิธีนี้จะทำใจให้มีความสงบเยือกเย็นการปฏิบัติธรรมที่เรียกเกยบกับศาสนานั้นกรุณาทราบว่าศาสนากับเราในหลักธรรมชาติแล้วเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันศาสนาได้แก่คำสั่งสอนที่ขี้แกงแนวทางที่ถูกต้องเพื่อการดำเนิน ความประพฤติเริ่มมาจากใจคือความคิดนึกคำพูดการปฏิบัติเกี่ยวกับกายเรียวกว่าความประพฤติทุกด้านจะเป็นไปความปลอดภัยก็ขึ้นอยู่กับแนวทางที่ได้รับจากธรรมเป็นสำคัญลำพังใจที่ไม่ได้รับการอบรมนั้นเสียงลดมา ไอ้ของเราที่ไม่ได้รับการอบรมด้วยธรรมเลยนั้นรู้สึกจะลอดแหลมแม่จะมีความรู้ก็ยับยั้งกันไม่ทันฉะนั้นธรรมะจึงเป็นความสำคัญสำหรับใจถ้าเราจะเทียบวัตถุภายนอกก็เหมือนกับว่ารถที่มีทั้งคันเร่ง มีทั้งเบรดด้วยมีเป็นเรื่องสาคัญธรรมะเพียงพูดเท่านี้ก็เป็นความซึ้งใจเพราะไม่มีอะไรไม่ไม่ธรรมะนี้ไม่เป็นค่าสุดต่อสิ่งใดแนละผู้ใดเลยผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรมะก็คือความผาสุกเย็นใจเฉพาะตนก็มีความผาสุกเย็นใจผู้เกี่ยวข้องมากน้อย ก็ได้รับความเย็นใจไปด้วยตามแต่ผู้นั้นมีธรรมะคือความร่มเย็นภายในตัวมีกำลังมากน้อยเพราะฉะนั้นศาสนากับเราจึงแยกกันไม่ออกในหลักธรรมชาติปิงๆิเป็นอย่างนั้นแต่ที่ท่านหรือความเข้าใจของเราอาจจะคิดไปว่าศาสนาอยู่กับพระกับเนรอยู่กับวัดว า, าวาอยู่กับ ต, หบตาหนักตารา นั่นเป็นอันหนึ่งต่างหากความปิ๊งแล้วศาสนาคือคาสั่งสอนนั่นสอนทั่วๆไปผู้ปฏิบัติก็ปฏิบัติได้ทั่วๆไปโดยไม่กาหนดนิยมว่าชาติชั้นัรน่ะเพศวัยอะไรเลยเราปฏิบัติกันได้การปฏิบัติได้เราก็มีสิทธทิที่จะรับผลจากการปฏิบัติถูกต้องดีงามของเรา การปฏิบัติด้วยความถูกต้องตามหลักธรรมนั่นแลชื่อว่าการปฏิบัติธรรมผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติก็คือความสงบสุขหรือเย็นใจตนเองวันนี้จะอธิบายภาคปฏิบัติเฉ พ, เพาะอย่างยิ่งคือสมาธิภาวนาให้ท่านทั้งหลายได้ทราบพอเป็นแนวทางเพราะการปฏิบัตินี้เป็น เรื่องสำคัญอยู่มากสาหรับผู้ที่เคยปฏิบัติมาบ้างแล้วหรือผู้ปฏิบัติมาแล้วรู้สึกมีความสําคัญอยู่มากแต่ผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติก็อาจไม่เข้าใจยิ่งไม่ทราบไม่อาจทราบได้ว่าความสําคัญของการปฏิบัตินี้มีแง่เบาอย่างไรบ้างวิธีฝึกหัดเบื้องต้นของการ ขา น, นาหรือเรียกว่นนั่งกรรมาฐานนั่งทำภพว น, นาตามบทธรรมท่านสอนไว้หลายบทแต่ถ้าเทียบแล้วก็เหมือนกับยาหลายขนานซึ่งควรแก่โรคชนิดใดก็นำยาขนานนั่นเข้ามาประกอบเท่านั้ น, นเกี่ยวกับเรื่องกรรมาฐานท่านพูดไว้ถึงสี่สิบท่องที่สำคัญซึ่งใช้กันอยู่เป็นประจำและถูก จริตนีสัยของท่านผู้ปฏิบัติเป็นจำนวนมากก็คือพุทโธธรรมูลสังโฆหรืออนาปานสติและกรรมฐานห้าอย่างใดอย่างกรรมฐานห้าคือเกสาได้แก่ผมโลมาได้แก่ขนน้าขาได้แก่เล็บทันตาได้แก่ฟัน ตะโจได้แกนหนังเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นบทธรรมที่จะควรนำมาปฏิบัติหรือบริกรรมภาวนากับจิตใจของตนทางนั้นในบทใดบทหนึ่งที่เห็นว่าเหมาะกับจริตนิสัยของตนชอบเราก็นำทำบทนั้ น, น, นบทใดก็ตามเข้ามาเกี่ยวข้องหรือบริกรรมภาวนาทำความรู้สึกไววกับทำบทนั้น โดยไม่สนใจคิดในทางอื่นและไม่คาดผลว่าจะเกิดขึ้นอย่างไรบ้างเพียงทำความรับรู้ไว้กับบทธรรมที่กำลังบริกรรมภาวนาอยู่เท่านั้นใจเมื่อได้ทำงานสืบต่อและมีความรู้สึกตัวอยู่เป็นประจาในหน้าที่การงานที่กำลังทาอยู่เวลานั้นจะปรากฏเป็นความสงบเย็นใจขึ้นมาเป็นอย่างหนัก บางทีก็สงบลงไปอย่างละเอียดจนร่างกายของเราทั้งที่เรารู้สึกอยู่ในเบื้องต้นแห่งการภาวนาว่ากายของเรานี่มีอยู่และความรับรู้นี่ซ่านอยู่ทั่วแล้าพางร่างกายแต่พอจิตรวมเข้าสู่ความสงบเป็นตัวของตัวอย่างแท้จริงในองค์ของสมาธิแล้ว ความรู้สึกว่ากายมีนี้หายไปหรือแต่ความรู้ล้วนที่ไม่เกี่ยวกับการสถานที่หรือวัตถุใดๆทั้งนั้นแต่เป็นความรู้ล้วนและเป็นความรู้ที่เปิดประหลาดพันาอยู่เพียงอันเดียวเท่านั้นนี่ท่านเรียกว่าจิตสงบหรือจิตรวมหรือจิตลงสู่สมาธิคำว่าสมาธิหมายถึงความมั่นคง มีความแน่วแน่ของใจขณะที่ใจลงสู่จุดนั้นเป็นใจที่แน่วแน่ไม่วอกแวกก้อนคลไม่คิดโน้นคิดนี้ไม่ฟุ้งซ่านนะรำคาญมีแต่ความสงบกับความสุขเป็นสมบัติของตัวเท่านั้นจากการทำภาวนาถ้าสงบไม่ถึงนั้นส่วนใจก็สงบส่วนร่างกายหรือมีอะไรมาสัมผัสเช่นเสียงเป็นต้น ก็ยังได้ยินอยู่ธรรมดาแต่กิจไม่เกาะเกี่ยวหากรู้อยู่เฉพาะตัวของตัวเท่านั้นนี่เรียกว่าสงบขั้นหนึง่งสงบอีกประเภทหนึ่งซึ่งอาจมีบางจลิตนิสัยเท่านั้นไม่มีจำนวนมากนักเลยท่านเรียกว่าอุปจารสมาธิคือรวมเฉีย ด, ยดตามประิยัติท่านว่าอย่างนั้นแต่เวลาภาคปฏิบัติทำลงไปจริงๆแล้ว คุปจารลานั้นพอจิตสงบลงไปแล้วจะถอยตัวออกมานิดหนึ่งแล้วออกดูเหตุการณ์ต่างๆอันนี้มีรู้สึกจะมีร่อแหลมอยู่บ้างเล็กน้อยเฉพาะรายที่มีนิสัยชอบกลัวเช่นกลัวผีเป็นต้นแต่จริลนิสัยที่จะชอบดูสิ่งต่างๆนานาอย่างนี้ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วก็มีในราวสักห้าเปอร์เซน หากปฏิเสธไม่ได้ต้องมีในวงปฏิบัติคือพระเมนเป็นต้นยังปรากฏอยู่บ้างเช่นมีจํานวนมากๆนี่ก็จะ ต, ต้องมีอยู่สองสามลายจนมากที่มีความรู้ในลักษณะนี้ความรู้ที่ปรากฏขึ้นเช่นนี้เราไม่ได้ศึกษาเราเรียนมาจากไหนการศึกษาหรือการปฏิบัติในขณะนั้นเพื่อจิตอย่างลงสู่ความสงบอืม เป็นการศึกษาตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้แต่เวลาจิตยังเข้าสู่ความสงบแล้วถอยตัวออกมาเล็กน้อยแล้วรู้สิ่งต่างๆโดยมากก็เป็นภาพออกจากใจเองซึ่งตนไม่ทราบว่าออกมาออกไปจากไหนหรือมาจากที่ไหนโดยเป็นรูปคนเดินผ่านมามัาง่งหรือมีผู้ใดผู้หนึ่งเดินเข้ามาหามัาง่ง ี่เป็นเหมือนเปรตเหมือนผีเดินเข้ามาหาบ้างมีคนมาล้มตายต่อหน้าต่อตาในขนาดนั้นบ้างนี่โดยมากขั้นเริ่มแรกเกิดขึ้นจากใจตัวเองแต่ตัวไม่ทราบเพราะเป็นกระแสของจิตที่ละเอียดออกมาแสดงตัวอยู่นั้น ก็เลยกลัวภาพที่ออกไปจากใจตัวเองเข้าใจว่ามาจากที่อื่นเสียแล้วทำให้เกิดความกลัวขึ้นมาทานิสัยชอบกลัวผีแล้วนี่จะทำให้เสียสติได้ถ้ากลัวมากก็เป็นไปได้จริงๆวิธีแก้ไขนี้ก็ไม่มีอะไรยากสำหรับผู้ปฏิบัติภาวนาเมื่อเราทราบเรื่องอย่างนั้นแล้ว เราย้อนจิตคือความรู้สึกของเราที่เกี่ยวกับภาพนั้นเข้ามาสู่ภายในเสียภาพนั้นก็หายไปเพราะภาพนั้นก็คือกระแสของจิตของเราที่ส่งออกไปนั่นแหละม่ใช่สิ่งอื่นใดมาจากที่ไหนพอเราย้อนกระแสจิตเข้ามาสู่ภายในคือเข้ามาสู่ตัวของเราแล้วภาพนั้นก็หายไปเท่านี้วิธีแก้นิมิตระเภตนี้รือแก้นิสัยของตัวเอง เพื่อไม่มีความเสียหายจากการปรากฏการเช่นนั้นถ้าย้อนจิตเข้ามาสู่ภายในแล้วร้อยทั้งร้อยไม่มีเสียรับรองได้ร้อยปรเ็แต่โดยมากผู้ปฏิบัติถึงกับมีความขยะแขยงมีความกลัวพรานึกว่าจะภาวนาแล้วเกิดความกลัวกลัวจะเป็นบ้านีเพราะไม่ทราบวิธีปฏิบัติแล้วเข้าใจว่ า, าศาสนานี ขออภัยเหมือนกระโลงบ่มบ้าไปก็ได้ซึ่งผู้ปฏิบัตินั้นไม่เข้าใจความจริงจิตที่ส่งออกไปเชนั้นแนวทางของศาสนาท่านก็สอนไว้แล้วแต่เราไม่สามารถที่จะนำมาปฏิบัติแก้ไขตนเองเลยทําให้จิตตะเลิดเปิดเิยไปตามความรู้ความเห็นนั้นเสียสิ่งที่ทําให้กลัวก็กลัวจนตัวสั่นและทําให้เสียสติไปได้เพราะไม่รู้จักวิธีปฏิบัติกัวตัวเอง ความจริงธรรมะท่านสอนไว้แล้ววิธีปฏิบัติแก้ไขตนเองแก้ไขวิธีใดเช่นวิธีที่อธิบายผ่านมาแล้วเมื่อสักครู่นี้นั่นแหละเป็นวิธีการแก้ไขความรู้สึกของตนไม่เสียไปหรือไม่ให้ผิดทางหลักของการปฏิบัติธรรมะหรือการปฏิบัติภาวนานี่เป็นสมาธิประเภทหนึ่งแต่มีเวลาสักห้าเปรนสมาธิประเภทนี้ ถ้าเรารู้วิธีปฏิบัติหรือปฏิบัติจนมีความชำนิชานาญแล้วจะเกิดประโยชน์มากมายเกี่ยวกับเหตุการณ์อดีตอนาคตเกี่ยวกับสินภายนอกเช่นเหตุการณ์จะเกิดอะไรบ้างภายนอกจะเป็นอนาคตก็ตามหรือเรื่องของตัวจะเป็นยังไงในอนาคตก็ตามเรื่องของคนอื่นหรือเหตุการณ์บ้านเมืองจะเป็นยังไงก็ตาม อาจจะรู้ได้หรือสามารถจะรู้ได้เมื่อมีความชำนาญแล้วสำหรับจริตนิสัยชนิดนี้ที่ท่านห้ามยังไม่เพลินไปตามความรู้ความเห็นเช่นนั้นเพราะวิธีปฏิบัติรักษาตันเองนั้นเรายังไม่รอบคอบเพียงพอจึงต้องให้ยับยัง้งหรือระ ง, งับไว้ก่อนพยายามอบรมจิต ซึ่งเป็นรากฐานสําคัญนี้ให้มีความแน่นหนามั่นคงเป็นหลักเป็นเกณฑ์เท่าที่ควรและมีครูอาจารย์คอยแนะนำอุบายวิธีว่าสิ่งนั้นควรจเริ่มสิ่งนั้นควรแก้ไขเพราะเป็นความบกพร่องหรือสิ่งนั้นควรงดเสียเพราะเป็นทางผิดนี่ครูอาจารย์ผู้มีความ ช, นชนานิชานาญในทางนี้จะต้องแนะให้อย่างนี้เสมอแต่จริตนี้ ที่แสดงออกเป็นความรู้ความเห็นในเบื้องต้นนั้นไม่มีใครสอนกันนอกจากทาสมาธิภาวนาไปตามธรรมดาเมื่อจะดิตนิสัยชอบเป็นไปในทางนั้นแล้วก็แสดงเหตุการณ์ขึ้นมาให้เจ้าตัวปรากฏเองจากเหตุการณ์นั้นแล้วนั่นแหละครูอาจารย์ถึงจะแนะนำสัสอนวิธีปฏิบัติว่าอย่างไรถูกอย่างไรผิดต่อไปนี่เป็นสมาธิประเภทหนึ่งที่รู้สึกแฝงอยู่บ้าง ทางด้านธรรมป่าเรียกว่าอุปจาระสมาธิคือสมาธิที่เข้าสางบออตัวแล้วถอยออกไปจระแปลว่เที่ยวอุปะคือเข้าไปเข้าไปแล้วไม่อยู่กับที่จระคือถอยออกมาแล้วรู้เหตุการ์ต่างๆโดยมากก็เป็นเรื่องของตัวเสียก่อนขั้นต่อไปก็เมื่อมีความชนิชทนานแล้วเรื่องของตัวออกแสดงก็ทราบ เรื่องมาจากภายนอกจริงๆก็ทราบจะเป็นเรื่องอะไรมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นทราบไปได้โดยตลอดตามความสามารถของผู้นั้นเรียกว่าทราบทั้งเรื่องของตัวทราบทั้งเรื่องอื่นที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับจิตในเวลา น, นั้นสตินิสัยเช่นนี้เกี่ยวกับเหตุการณ์คือสามารถจะรู้เหตุการณ์ได้ดีกว่าอย่างอื่นๆกว่านิสัยอื่นๆนี่เป็นสมาธิประเภทหนึ่ง นำหนักท่านนะท่านที่แิบบไม่ควรก่อความหรือไม่ควรคิดกังวลเกี่ยวกับเรื่องความกลัวในสมาธิที่ว่านี้จะอะไรจะแสดงขึ้นก็ตามเราไม่ต้องไปตั้งข้อรังเกียจว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้เพราะตามปกติที่เราไม่ได้เข้าสมาธิเรา ก็เคยเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูของเราอยู่แล้วอย่างสดสดร้อนๆอนเช่นคนตายเราก็เคยเห็นเราก็เคยไปเผาศพเขาไม่รู้กี่หลัเราไม่เห็นกลัวป่าชา้าเราก็เคยผ่านแต่บ้านนอกรู้สึกจํามีอยู่ตามป่าในเมืองมีอยู่ตามเมนอยู่ตามวัดก็เรียกป่าช้าเหมือนกันเราไม่เห็นกลัวเราไปเห็นคนตายใครตายเราก็ไม่เห็นกลัวอะไรนักแต่เวลาภาพที่ปรากฏขึ้นในนิมิต ซึ่งเป็นเหมือนกับความฝันทําไมเราถึงจะกลัวเราหาอุบายคิดเพียงเท่านี้เราก็กอจะแก้ไขความกลัวของเราได้ประการที่สองเราย้อนจิตเข้ามาเสียเพราะนั่นคือกระแสะของจิตที่ไปวาดภาพหลอกตนต่างหาไม่ใช่เป็นความจริงมาจากขึ้นย้อนจิตเข้ามาสู่ภานเสียเรื่องก็หายไปภาพนั้นก็ไม่มีมีวิธีปฏิบัติง่ายนิดเดียวแต่ถ้าจะส่งจิตให้เพลินไปตามเรื่องนั้นอาจมีทางเสียหายได้ คือบางทีอาจจะมีครูบาอาจารย์องค์ใดองค์หนึ่งแต่เราก็พูดตามเรื่องตามความจริงไม่ได้ยกโทษครูบาอาจารย์หรือท่านผู้ใดเพื่ออาจจะส่งเสริมผู้เป็นอย่างนั้นขึ้นมาบ้างก็ได้ทั้งที่ตัวไม่ทราบสาเหตุและไม่ทราบวิธีปฏิบัติและตนไม่เคยผ่านเรื่องนั้นมาก่อนพอเห็นลูกศิษย์ดูหาปร า, ากฏอยางนั้นขึ้นมาอาจารย์ก็รู้สึกมีความดีใจแล้วส่งเสริมให้ลูกศิษย์พิจนาไปเรื่อยๆนี่อาจมีทางเสียหายได้ ทางที่ถูกที่ควรนะักเพื่อความปลอดภัยควรพริจารณาดังที่อธิบายไว้เบื้องต้นนั้นก่อนคือถ้าเราหากว่าเราได้ปรากฏขึ้นกับนายใดวิธีปฏิบัติก็คือให้ย้อนจิตเข้ามาเสียเพราะภาพนั้นเป็นแเพียงภาพหลอกหลอนในเบื้องต้นต่างหากถ้าเรามีสติปัญญาเราสามารถที่จะพิจารณาภาพที่ปรากฏในขณะนั้นให้เป็นธรรมะได้เช่นเราเห็นคนตายในขณะที่จิตรวมสงบ แล้วออกไปรู้เช่นนั้นเทียบเข้ามาสู่ตนว่านี่เขาตายหรือบางทีอาจเป็นตัวของตัวตายเี่ไใดท่ามข้องมีคือเรานั่งภาวนาอยู่นั่นแหละแต่ไปปรากฏภาพขึ้นมาว่าตัวของเราได้มาล้มตายอยู่ต่อหน้าต่อตาเป็นตัวของเราทุกทุกส่วนของร่างกเป็นเรื่องของเราล้้วนอย่างนี้ก็มีสำหรับผู้ปฏิบัติถึงจะเป็นอย่างนั้นก็ตามถ้าผู้ที่จะใช้ปัญญา พิจารณาในด้านธรรมะเพื่อประโยชน์สำหรับตัวแล้วความตายนั้นก็เป็นเทวทูตอยู่แล้วคือผู้บอกคือผู้ส่งเสริมผู้แสดงอย่างสูงสุดให้เราน้อมเข้ามาสู่ตัวของเรานี่ตั้งแต่เรายังไม่ตายภาพก็มาแสดงให้ปรากฏอยู่แล้วหมดเวลาตายจะไปที่ไหนก็ต้องเป็นอย่างนี้แน่นอนนี่เวลานี้ยังไม่ตายก็เห็นแล้วเราควรประมาทนอนใจละเหลือกับเรื่องความตายนี้ พยายามทำความขยันหมั่นเพียรให้รู้เรื่องความตายไว้เสียแต่ยังไม่ตายนี้เป็นการชอบทำแท้นี่เป็นอุบายที่แยบยลสาหรับที่จะเป็นประโยชน์แก่เราโดยตรงอันนี้ไม่มีทางเสียหายเรื่องใดจะปรากฏขึ้นก็ตามสําคัญที่สติปัญญาที่จะพลิกแปลเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นให้เกิดประโยชน์สําหรับตัวหรืออาจจะคิดในทางที่ไม่ดีแล้วกลายมาเป็นภัยต่อตนก็ได้เช่นความกลัวผีแล้วทาให้เสียสติจะตาั้ป ไปได้จากภาพนิมิติปรากฏนั้นก็มีนี่เพราะความรู้สึกของเราทิ่ไม่ถูกทางที่ถูกก็กลายเป็นผิดไปหน้าแล้วเราก็ไปตำหนิเสียว่าการภาวนานี้ทำคนให้เป็นมากความจริงศาสนาไม่ได้สอนคนให้เป็นมากหากผู้ปฏิบัติส่งหากดำเนินผิดทางไปเช่นสายทางจากจุดนี้ไปสู่จุดนั้นเป็นสายทางที่ถูกต้องตามจุดมุ่งหมายแต่ผู้เดินทางไปไม่เด็ดตรงแนวไปตามสายทาง นั่นเสียกับปีกและไปทางที่ผิดแล้วจะตําหนิว่าทางนั้นไม่ถูกไม่ได้เป็นความผิดสําหรับผูปปีกและไปจากทางต่างหากการปฏิบัติธรรมก็ย่อมมีลักษณะเช่นนั้นเหมือนกันจึงได้อธิบายให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ทราบในเงื่อนที่ควรพิจารณาลึกควรระวังอัปนาสมาธิได้แก่สมาธิที่แนบแน่นมากเวลาสงบตัวลงไปแล้ว และอียดมีความรู้สึกอยู่จำเพาะตัวจริงๆถึงกับร่างกายที่มีอยู่ในเรานี้หายไปจากความรู้สึกไม่มีเลยเหลือแต่ความรู้ล้วนๆีเรียกว่าอัปปนาสมาธิจะเป็นสมาธิประเภทใดก็ตามหรอในคณิกาสมาธิหรืออุปจารสมาธิอัปปนาสมาธินี้เวลาเป็นบ่อยๆ ก็เป็นเหตุให้สร้างฐานแห่งความสงบสร้างฐานแห่งความมั่นคงของใจให้มีขึ้นภายในใจใจนั้นเลยกลายเป็นใจที่สงบเยือกเย็นมีความมั่นคงมีฐานแห่งความมั่นคงประจําตนนี่เรียกว่าผู้มีสมาธิเป็นรากฐานภายในแลยทธิบายถึงเรื่องของสมาธิให้ท่านนักศึกษาทั้งหลายได้นำไปพิจารณา เพราะคำว่าสมาธิเหล่านี้มีได้ทั้งหญิงทั้งชายทั้งนักบวดเนื้อคารวะเนื่องจากธรรมเป็นของกลางเป็นสมบัติกลางผู้ต้องการความมุ่งหมายอย่างไรโดยอาศัยธรรมเป็นเครื่องพา ด, ดํนเนินแเราก็ปฏิบัติได้ผลก็เป็นของเรามีอธิบายั้งเรื่องสมาธิยอ่ยอๆในสามสมาธิต่อจากนี้จะอธิบายเรื่องปัญญาคาว่าปัญญาเป็นอย่างไร เราเห็นแต่ในแบบในสําหรับคาลาว่าศีลสมาธิปัญญาแต่ศีลจริงๆสมาธิจริงๆปัญญาจริงๆที่เกิดจากการปฏิบัติดังที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นและสาวกท่านทรงรู้ทร ง, ส, งสาวกรู้เห็นจนกลายเป็นอริยบุคคลผู้ประเสริฐขึ้นมาและเป็นศาสดาสอนโลกนั้นเป็นสมาธิประเภทใดเป็นปัญญาประเภทใดทั้งที่ท่านก็เป็นคนเหมือน กันกับพวกเราแล้วกลายเป็นผู้วิเศษขึ้นมาทางด้านจิตใจนี่เป็นเพราะเหตุอะไรนี่ยเป็นเพราะเรื่องของการบำเพ็ญเพราะจิตเป็นสิ่งที่ละเอียดสุ ข, ขุมมากแม้จะมีกิเลสความทเยอทยานแสงอยู่ภายในใจก็ตามความคล่องแคล่วแคล้วคลาของจิตย่อมมีเป็นประจำความละเอียดของจิตมีอยู่เป็นประจำมีใส่ของตัวเองไม่เคยลดละฉะนั้นจิตเมื่อได้รับการอบรมทางด้านปัญญา คำว่าปัญญาคือความสอดส่องคือความไตรตรองความพินิษพิจรารณาท่านเรียกปัญญาในองค์มากว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปความเห็นชอบสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปคือความดมิดชอบท่านกอธิบายไว้แล้วแต่นี้เรานำมาเพื่อพิจารณาให้ให้รู้ว่าปัญญานั้นมีอยู่ที่ไหนจะพิจารณาอะไรถึงจะเป็นปัญญาพิจารณาอย่างไรจรึงจะเรียกว่าปัญญา เบื้องต้นท่านสอนให้ทิจนาเรื่องภาคเรื่องขันจะส่วนใดอย่างใดก็ตามคำว่าขันได้แก่รู ป, ปรขันคือกายของเราทุกส่วนเมทนาขันคือสุขทุกเฉยๆทั้งทางกายและทางใจเพราะเวทนานี้มีอยู่ทั้งทางกายและทางใจสัญญาคือความจําความหมายสังขารคือความปรุงความคิดของใจ วิญญาณคือความรับทราบในขณะที่อายตนะภายนอกได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเข้ามาสัมผัสอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราการพิจารณาปัญญานั้นโดยมากพิจารณ า, าเกี่ยวกับรูปประคันเสียก่อนรูปประคันได้แก่กายของเราเราจะพิจารณาหนังเนื้อเอ็นกระดูก อวัยวะทั้งหมดนี้ส่วนใดส่วนหนึ่งหรือจะพิจารณาไปทีละส่วนละส่วนจนทราบทัานถึงกันหมดโดยความเป็นไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังนาาอนัตตามีอโรมณ์ปฏิโลมพิจารณาย้อนหน้าย้อนหลังจนชำนิชำนาดหลายครั้งหลายหงหลายหงปัญญาก็มีความคล่องแคล่วกป้วก้าขึ้นไปเองที่แรกก็ถูถ่ายกันไปบ้างเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้าง คำว่าอันนี้จังเป็นอย่างไรที่ท่านว่าอันนี้จังคือความไม่เที่ยงความแปลสภาพและในกายของเรานี้มีอะไรบ้างที่ไม่แปลสภาพหรือมีอะไรบ้างที่แปลสภาพให้เห็นทั้งความแปลสภาพของมันในส่วนต่างๆของร่างกายมีท่านียกกับท่านนี้แล้วยังเข้าไปสู่กายของเรานี่เอากายนี้เป็นส้นนาม รบเรืออาการนี้เป็นเป้าหมายที่เจรนาไกรกรให้มีความรู้สึกอยู่ในกายของตัวนี่จะดูส่วนบนก็ตามส่วนล่างก็ตามหรือดูไปรอบด้านของส่วนร่างกายส่วนต่างๆนี่ก็ตามที่จรนาเป็นไตร ล, ลักษณ์จะเป็นไตร ล, ลักษณ์ใดก็แล้วแต่ทรศติทิศสัยของเราชอบเช่นจะหนักในทางอนิจจังคือความแปร ก็ให้เห็นชัดในส่วนแห่งร่างกายส่วนต่างๆซึ่งมีความแปรอยู่ตลอดเวลาจนะพิจารณาออกไปภายนอกก็เห็นความแปรสาภาพของสิ่งต่างๆที่มีอยู่รอบด้านทั้งใกล้ทั้งไกลมีอยู่หมดทุกแห่งทุกหนไม่เว้นเรื่องไตรลักษณจะไม่เข้าเหยียบย่าทําลายหรือทําการทํางานอยู่กับสิ่ง น, นั้นๆต้องมีแตรลักษเป็นพระจักรอยู่ตลอดเวลาทั้งกลางวันกลางคืนเรียกว่าอากาลิโ ก, โกนี่เขาทํางานอยู่อย่างนี้ แม้ที่สุดในร่างกายของเหล่านี้เราจะพักผ่อนนอนหลับว่าเป็นความสะดวกสบายก็ตามแต่ความอนิจจังที่มีอยู่ในกายของเราเนี่ยเขาทํางานอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกันเช่นตั้งแต่เป็นเด็กมาจนกระทั่งบัดนี้ทําไมแปลสภาพขึ้นมาจนถึงเป็นผู้ใหญ่นี่ไม่เรียกว่าอนิจาจาแต่หรืออนิจังจะเรียกว่าอะไรที่แปลไปเรื่อยๆทุกส่วนของร่างกายมีความแปลจนแปลไปอยู่เสมอนี่นี่เป็นเอกเทศอันหนึ่ง ที่อธิบายให้ท่านนักปัญญาพิจารณาเป็นแง่งการพิจารณาและทุกขังเพราเช่นเดียวกันอวัยวะทุกส่วนนี้อันไหนที่ไม่เป็นทุกสแสดงความทุกข์ให้เราเห็นอยู่เสมอนั่งนานก็ทุกเดินนานก็ทุกหิวก็ทุกระหายก็ทุกเจ็บนั่นปวดนี่อันไหนที่ผิดปกติในส่วนร่างกายมีแต่สแสดงทุกออกมาให้เห็นทั้งนั้นไม่มีเลยว่าสิ่งไหนที่แปรไปแล้ว แล้วไม่แสดงทุกออกมาหเห็นเป็นความทุกข์อยู่โดยสม่งเสมออันนี้ก็ทํางานอยู่ทั้งวันทั้งคืนเหมือนกันโรงจกโรงงานอันนี้ไม่มีวันปิดเปิดอยู่ตลอดเวละคือเปิดทํางานอันนี้จังก็ทํางานอยู่เช่นนั้นทุกขังก็ทํางานไปในแนวเดียวกันอนณาตาก็เป็นสภาพที่ตายตัวใครจะประเสริฐกันปั้นยอว่านี้เป็นเรานี่เป็นของเราหรือนั่นเป็นของเขาเป็นของใครก็ตามธรรมชาติอันนั้นก็คือธรรมชาตินั้นนั่นแหละ ไม่ได้เป็นไปตามความเฉดสานปัญย่อของไข่ไข่นี่คือปัญญาอย่างเข้าไปอย่างนี้ท่านรี่ยกปัญญาในทางปฏิบัติการพิจารณาปัญญาจะเป็นปัญญาขั้นใด ห, หรือพิจารณาในส่วนใดก็ตามเป็นเหตุให้ทราบซึ้งถึงสิ่งที่มีจริงเป็นจริงเช่นอ น, นิจจังเป็นต้นก็เห็นชัดเห็นประจักษ์กับปัญญาของเราว่าเป็นความแปลตัวนจริงไม่เหมือนเราคาดคะเนเอาที่เฉย ว่าทุกขังก็รู้ทุกอย่างถึงใจจริงๆว่าอนัตตาก็ทราบซึ้งว่าเป็นธรรมชาติอย่างนั้นมาดั่งเดิถึงใครจะสําคัญมั่นหมายว่าเป็นอะไรก็ตามธรรมชาตินั้นก็คือนั้นนั่นแหละไม่เป็นอื่นไปตามความเจตจำนงท่านเยวมีเรียกว่าปัญญาเมื่อปัญญาอย่างเข้าถึงไหนอันใดจะเกิดความสงสัยคล้องใจอยู่อย่างไรบ้างก็เป็นเหตุให้แจ่มแจ้งชัดเจนขึ้นมาเพราะปัญญาเป็นแสงสว่างท่าน กล่าวไว้ในธรรมว่านัถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีทมันวันในที่มืดเช่นทางด้านวัตถุตะวันสองเข้าไม่ถึงแต่ปัญญาสองเข้าถึงหมดถึงเดวนัฏนิคือไม่มีอะไรจะเสมอวความสว่างของปัญญาปัญญาได้อย่างเข้าไปถึงไหนความสงสัยสนเทศที่เคยคล้องจิบคล้องใจก็อยอ่มหายไปหายไปอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดเพราะ ความมืดความดําของใจเราที่ยังไม่มีปัญญาส่องให้เห็นความจริงก็ย่อมยึดมั่นถือมั่นพอปัญญาส่องเข้าไปถึงไหนเห็นจริงแค่ไหนอุปทานความยึดมั่นถือมั่นย่อมถอนตัวออกจากที่นั่นเมื่อปัญญาอย่างลงไปตลอดทั่วถึงในส่วนรน่างกายทุกส่วนเห็นว่าเป็นอจังทุกขังอนัตตาโดยพระจักใจแล้วอุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นอันเป็นภาระอันหนักของจิตใจนั้นจะไม่ถอนไปได้อย่าง ต้องถอนไปโดยไม่มีใครห้ามนะเพราะปัญญาเป็นเครื่องตัดสินใจให้รู้ชัดเจนแล้วถอนตัวออกมาจากความยึดมั่นถิมั่นนะั้นะนี่เป็นปัญญาขั้นเวทนาความสุขความทุกข์ความเฉยเฉยซึ่งมีทั้งทางกายและทางใจก็ต้องอาศัยปัญญาเข้าไปเกี่ยวข้องเข้าไปแยกแย ก, แยกเข้าไปพิจารณาสังขารความปรุงวิญญาณความรับรู้ มีปัญญาเข้าไปแทรกอยู่ทุกจุดทุกอาการพ อ, อยอมสามารถรู้เท่าทันกับสิ่งที่มาเกี่ยวข้องมากระทบกับใจเราใจเราเมื่อมีปัญญารักษามีสติเป็นเครื่องปกคลองอยู่โดยสม่ำเสมอแล้วภัยที่จะเกิดให้เป็นความกระทบกระเทือนในระหว่างอารมณ์ที่มาสัมผัสกันก็น้อยลงตามส่วนของปัญญาที่มีกาลังมากน้อยถ้าปัญญามีความรอบตัวอย่าง เต็มที่แล้วแม้กิเลส จ, จะละเอียดแสนละเอียดเพียงไรก็ตามชื่อว่าเป็นสิ่งเสียดแทงจิตใจของเราย่อมถอดถอนการออกได้หมดไม่มีสิ่งใดเหลือสิ่งที่เหลือก็คือผู้รู้ว่าบริสุทธิ์แล้วนี่ท่า น, นั้นนี่ท่านเรียกว่าหมดสิ่งที่เกี่ยวข้องผูกพันกับจิตใจด้วยอำนาจของปัญญาเป็นผู้คลี่คลายหรือตัดให้ขาดจากกัน ระหว่างจิตกับสมมติทั้งหลายที่เคยเกี่ยวข้องกันมานานตั้งกับทางกันน้ำไม่ถ้วนก็ได้ขาดกระเด็นออกจากกันเพราะอำนาจของกันนี่แลผลของการปฏิบัติรักษาจิตใจของเรานับแต่เริ่มต้นถ้ามีความสามารถประพฤติปฏิบัติตนเป็นไปโดยในที่ว่านี้จิตต้องรู้ ควบุกค้นของตนด้วยอํานาจของปัญญาของตนจริงๆนี่ท่านเรียกสันทิฏฐิโกสมาธิก็รู้อยู่ในใจไม่เพียงแต่รู้ชื่อของสมาธิตามแบบแผนตำลำรับตำ่ำปัญญาก็รู้อยู่ในใจรู้อย่างถึงใจไม่เพียงรู้อยู่ตามตำลำรับตํา่ำวิมุติคือความบุกพ้นจากสิ่ง แม่ล้อมทั้งหลายทั้งเป็นส่วนหยากส่วนกลางส่วนเอียดก็เห็นประจักษ์กับใจคือหลุดพ้นที่ใจเพราะใจเป็นผู้เกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งหลายใจเป็นผู้ถอดถอนตอนเองออกมาได้จากสิ่งทั้งหลายก็ประจักษ์อยู่กับใจนี่เป็นวิมุติเป็นพุทโธเป็นสมบัติของตัวโดยแท้มีอยู่ที่จิตของทุกคนเมื่อเราพยายามทําได้อย่างกล่ามเพราะจิตเป็นนามธรรมาจิตไม่ขึ้นกับคำว่าหญิงว่าชาง ว่า น, นักบวชดุขละว่าเป็นธรรมชาติของ ก, กลางธรรมะเขาเป็นของกลางศีล ส, สมาธิปัญญาเป็นของกลางเพราะฉะนั้นความมีมุตบุญพ้นที่เกิดขึ้นในจิตจึงเป็นของกลางมีได้ด้วยกันเมื่อสามารถปฏิบัติได้เนี่ยอธิบายย่อๆถึงเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาปัญญานั้นยังมีหลายขั้นถึงสามขั้นสี่ขั้นหนน จนกระทั่งถึงขั้นสุดท้ายได้แก่ปัญญาอย่างยอดเยี่ยมท่านเรียกว่ามหาปัญญามหาสติคำว่ามหาสตินั่นหมายถึงสติที่มีอยู่กับตัวเป็นประจำไม่มีการเผล อ, อไปไหนเวลาใดอยู่สถานที่ไใ่ทำงานอะไรอยู่ความเพิ่งเผลอได้ปรากฏตัวขึ้นมาในขณะนั้นๆอย่างนี้ไม่มีสําหรับท่านผู้มีมหาสติจิตที่เป็นมหาสติจริง มหาปัญญาก็เช่นเดียวกันสามารถฉลาดรู้หมดในวิธีการที่จะแก้ตัวเองแต่ไม่ได้หมายถึงว่าสามารถฉลาดรู้ไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างว่าอนั้นมีจานวนเท่านั้นโลกนั้นมีเท่านั้นโลกนี้ทนี้อ น, นั้นเป็นประเภทหนึ่งของหาขณะปัญญาในสถานที่นี้หมายถึงปัญญาจะถอดถอนสิ่งที่เป็นข้าศึกแก่ใจของตนเองออกให้หมดด้วยอำนาจของปัญญามีปัญญาจึงสามารถถอดถอนออกได้หมด เือมหาปัญญาคำว่ามหาปัญญาก็คือทํางานอยู่ตลอดเวลานอกจากจะยับยั้งไว้บ้างชั่วการเวลาให้เข้าพักสู่ความสงบคือสมาธิมีความสงบตัวอยู่โดยเฉพาะไม่ต้องคิดอ่านใ่กรองอะไรแม้คิดอ่านเรื่องแก้ที่เด็กเพราะการคิดอ่านนั้นเป็นการทํางานของใจทําให้ใจเหน็ดเหนื่อยต้องมีการพัก ก่อนให้สบายโยโดยทางสมาธิพอถอนจากนั้นก็ทำงานไปโดยลำดับเรียกว่าปัญญาอัตโนมัติหรือมหาปัญญาทำงานอยู่เช่นนั้นจิตที่ก้าวเข้าสู่มหาสติมหาปัญญาแล้วเป็นจิตที่มีความขยันหมั่นเพียรอย่างเอาเป็นเอาตายเพรว่าไม่มีการถอยหลังจะเป็นจะตายก็ขอคืบหน้าท่าเดียว สมมติของโลกเนี่ยว่าขอตายเอาดาบหน้าน่ะคือความเชื่อค่อยชัดภายในใจความเห็นผลก็เห็นไปโดยไปใจความเห็นคุณแห่งการบุญท้นของตนไปโดยลำหนับก็เห็นได้ชัดเมื่อเป็นเช่นนั้นความมุ่งมั่นต่อความบุดท้นโดยสิ้นเชิงจึงมีอย่างเต็มใจเมื่อความมุ่งมั่นมีอย่างเต็มใจอย่างนี้แล้วความขี้เกียจไม่มีหายไปหมดมีอยู่ในหัว นอกจากว่าถึงจุดนั่นแล้วถึงจะยอมพักตัวทรรมถ้าไม่ถึงนั่นแล้วตายข้อยอมไปเลยอํานาจของมหาลติของมหาปัญญาอํานาจของจิตที่มีความท่องสายจะเข้าถึงขั้นจะเต็มที่ต้องเป็นอย่างนี้นที่กรามาทั้งหมดนี้เกิดจากการภาวนาเป็นหใหญ่เพราะฉะนั้นคําว่าภาวนานี้ จึงเป็นธรรมกว้างขวางมากคนที่มีภาวนาในใจย่อมเป็นย่อมทําอะไรไม่ค่อยผิดพลาดจะพูดก็ไม่ค่อยผิดพลาดจะทําอะไรก็มีเหตุมีผลจะไปจะมาจะจับจะจ่ายใชย้สอยอะไรทั้งนั้นมีเหตุมีผลเป็นเครื่องรับรองในหน้าที่กิจการที่ตนทำเสมอไปนี่คือคนภาวนาคนที่ไม่ภาวนาอยากทําอะไรก็ทําตามใจชอบอยากไปก็ไปอยากมาก็มาอยากอยู่ก็อยู่ อยากซื้อก็ซื้ออยากเล่นก็เล่นโดยไม่คำนึงถึงความผิดถูกชั่วดีอะไรเลยนี่คือคนไม่พาวันคือไม่ใช้ปัญญาเป็นเครื่องปกครองรักษาตนเอยแม้จะเรียนรู้มามากมายก็ตามถ้าไม่ใช้ปัญญาเข้าไปเป็นเครื่องกำกับรักงาแล้วความรู้นั่นก็เป็นโมฆะมิมิหนำยังจะเสริมผู้นั้นให้เสียไปอยู่ด้วยเออไม่มีปัญหาอะไรด้วยเหตุนี้ธรรมะจึงเป็นสิ่งสำคัญเป็นเหมือนกับคันเร่งือเบรก ประจำรถคันให้สมบูรณ์ถ้าขาดทั้งสองอย่างนี้ไปไม่ได้ผู้มีความรู้วิชาที่จะเร่งในหน้าที่การงานใดโดยเห็นว่าถูกก็ต้องเห็นด้วยปัญญาจะควรยับยั้งในสิ่งใดเห็นว่าไม่ควรก็ต้องยับยั้งด้วยปัญญาถ้าไม่มีปัญญาเป็นเครื่องเร่งไม่มีปัญญาเป็นเครื่องทดสอบไม่มีเป็นปัญญาเป็นเครื่องยับยั้งคนแล้วเสียหน้าคนเราเพียงความรู้ที่เรียนมามากน้อยไม่สําคัญเพราะมันมีอันหนึ่งที่เหนือความรู้ทั้งหลายอยู่นั้น ได้จากความหยากภายในจิตความหยากนี้เป็นความกว้างขวาง ม, มากทั้งหยากทั้งการทั้งละเอียดแต่อย่างไรก็ตามต้องเหนือความรู้วิชาต้องเหนือใจของคนสมัยปัจจเมื่อไม่อาศัยธรรมะเข้ามาเป็นเครื่องบังคับซึ่งเหนือกว่าสิตทั้งหลายเหล่านี้นั่นแหละถึงจะเป็นไปได้ด้วยเหตุนี้การอบรมธรรมะจึงเป็นความจําเป็นสนําหรับเราผู้มุ่งหวังตับความเจริญสําหรับตัวเองแนี่ส่วนดี จะต้องอาศัยธรรมะเป็นเครื่องปกครองเป็นเครื่องทดสอบเป็นเครื่องพิณิตที่เจริหนาคนที่มีธรรมะคนที่มีภาวนาย่อมมีความปลอดไร้ทุกข์ความเสื่อมจากจิตของเราเสื่อมจากศีลจากธรรมครับจิตที่มีศีลมีธรรมนั้นมีคุณค่าต่างกันมากจิตที่มีศีลมีธรรมก็ดังที่อธิบายมาแล้วเป็นคนมีเหตุมีผลทุกสิ่งทุกอย่างจะจับจะถ่ายจะสอยจะทําอะไรก็ตามมีเหตุมีผลเป็นเครื่องรับรอง พอเหมาะพอสมทุกอย่างตนเองก็ไม่เดือดร้อนสิ่งที่ทำลงด้วยปัญญานั้นก็เกิดผลเกิดประโยชน์เท่าที่ควรแก่งานนั้นๆคนที่ไม่ใช้ปัญญาคนที่เสื่อมหรือว่าคนที่ไม่มีธรรมในกายผิดกันคำว่ากิตที่เสื่อมจากศีลจากธรรมนี้ยิงไม่ใช่เป็นโทษเล็กๆน้อยๆและเป็นสิ่งที่ว่าไม่ไสมไม่ควรสนใจกันเป็นสิ่งที่ควรสนใจและเห็นโทษอย่างนี้ ความเสื่อมคาว่าความเสื่อมของจิตเสื่อมจากถึนจากทำคือไม่มีเหตุมีผลไม่มีความจริงอะไรที่จะเป็นหลักแหล่งที่จะเป็นที่ยึดถือสำหรับคนเลยถ้าเป็นคนก็เป็นคนเลื่อนลอยเป็นคนหลักลอยความเสื่อมจากทำจริงไม่ใช่ของดีเสื่อมเฉพาะเราเราก็เดือดร้อนถ้าอยู่ในครอบครัวสมมติว่าสามีภรรยาจะเป็นฝ่ายใดก็ตามส่อมจากทำ จะต้องก่อความเดือดร้อนให้เกิดในครอบครัวจนได้ไม่ถึงกับต้องเกิดด้วยการเป็นกิดเสื่อมจากทาด้วยกันทั้งสองคนเลยก็เพียงไฟได้ายหนึ่งเสื่อมเท่านั้นก็ทำให้เสียได้เช่นสามีเป็นคนมีอารมณ์มากชอบอารมณ์มากไม่เกี่ยวไม่มีความใยดีกับสิ่งที่มีอยู่ทั้งตนจ่โลเลไปทุกแห่งทุกของหาแสวงหาที่รับที่กาบังที่ซุ่มที่ซ่อนที่ไม่น่าไป ไม่น่าทำํำอย่างนี้จะขอความแบบนัอนให้แก่ครอบครัวของตนแก่ห น, น, นี่คือคนที่มีกิตเสื่อมย่อมทําสิ่งที่เสียหายเท่งนั้นจะทําสิ่งที่ให้เกิดความสูกความเจริญจะตมและสงวงนมันรู้สึกจะไม่มีความที่เสื่อมจากยิ้มจากธรรมนี้จึงไม่ใช่ของดีเสื่อมมากเท่าไรขอความเสียหาเสียหายได้มากเท่านั้นท่านจึงขอให้พยายามรักษาจิตใจจะให้เสื่อมจากยิ้มจากธรรม เพียงครอบครัวหนึ่งเสื่อมจากศีลจากธรรมเท่านั้นครอบครัวนั้นก็เดือดร้อนลูกก็เดือดร้อนพ่อกับแม่ก็เดือดร้อนนี่ถ้าทั้งบ้านเสื่อมกันศีลจากศีลจากธรรมทั้งบ้านบ้านนั้นก็เดือดร้อนกันทั้งบ้านทั้งเมืองต่างคนต่างเสื่อมจากศีลจากธรรมเมืองนั้นก็ร้อนทั้งประเทศเชตแดนถ้าต่างคนจากต่างเสื่อมจากศีลจากธรรมโลกจะไม่เป็นไฟไปจะเป็นอาหรเพราะคําว่าไฟในสถานที่นี้ก็คือความรุ่มร้อนเผาขึ้นกันต่กันมันเอง เพราะความเสื่อจากสินจากาทําืุความดีงามมีเหตุมีผลเป็นเครื่องยักย้างช่างตัวแต่ไม่มีเส็จแล้วเรียกว่าเสือ่อมความเจริญด้วยศินด้วยทำนี้ทําโลกให้เจริญทําตนให้เจริญอยู่ในครอบครัวก็เจริญเกี่ยวข้องกับหน้าที่การงานก็เจริญเป็นชิ้นเป็นอันนั้นขอให้นาตเป็นนักปฏิบัติทั้งหาลายกรุณ า, านำธรรมะไปปกครองเป็นเครื่องส่งเสริมจิตใจ หน้าที่การงานของเราจะได้มีความเจริญรุ่งเรืองไม่บกพร่องในหน้าที่นั้นทำอะไรก็เป็นาปเพื่อความราบรู้่นดีงามผลประโยชน์เป็นประโยชน์ทั้งตรงและผู้อื่นโดยลังหนักการแสดังทำมพื่อห ม, มากสมควรจะเวลาขอวิกฤต